ตีวัวก็ทบขาดทำไมไม่ใช้ปัญญาบ้างล่ะเรานี่ไม่กล้าพูดนะถ้าหากว่าอัลลอฮฺไม่สั่งนบีไม่สั่งในกล้าไหมไม่กล้าเรากลัวจะตายเราไม่กล้าทะเลาะกับเมียเรากลัวอ่ะลูกทำเพียังนับพูจาดีๆเลยไม่กล้าไม่เคยตวาดไม่เคยตบหน้าไม่กล้าเนียที่จะเอาของที่นบีไม่สอนมาสอนเหรอที่น้องไม่กล้าแล้วับ ผมผมผมผมผมไม่กล้านะโอเคนะตกลงว่าคนที่วันนบีสอเนี่ยประหกนี่มีมีโทษไหมมีครับต่อมายะที่สิบห yes> ้าวายัลูรุฮะอุลาอิลลัซฮะตัวหนึ่งมาละมิมมิมฟาวะ ว่ามายังรู้เหาเหลาอิ่ลลัศยิพะตัวว่าหิดะมาลาห่าวะอัลลฮัลลอฮฺอัลลอัลลอฮฺอัลลัลลอฮฺออฮฺอัลลอฮอัลลอลลอฮฺอัลลอัลอ การรอคอยทหารของทหารที่เป็นทหารอยู่บนจะเป็นทหารหรือประชาชนทั่วๆไปจะเป็นพักนน่นพักนี้อะไรที่รวมรวมกันแอนตี Anti ้อิสลามเนี่นะอัลลอฮ์เล่าว่านะพวกเขาเหล่านี้นะไม่ได้รออะไรอตอนนี้รออยู่นะไอรอนี่มมาจะรออะไรนะ หาความระวังที่รอก็หาความสุขไปก่อนหาไปหาไปหาไปหาไปด่าไปด่าไปไม่มีปัญหาด่าไปเถอะใช่ไหม อ, อัลลอฮ์ทนได้ <laughs> <laughs> วะมายัมซูรุฮาอุลาพวกเหล่านี้ไม่ได้รออะไรอลัลลอฮ์ร่วมมืเลยที่ไม่ลงโทษวันนี้เอ็งรออยู่นะเ <laughs> ขาะกับไปเดินนะประวิงเวลาเอาไว้วะมายัมซูรุฮาอุลา พวกเหล่านี้ไม่ได้คอยอันใดอิลลานอกจากซอยฮาตันเสียงดังๆเสียงกำปนาตเสียงหวั่นไหววาให้ด่าทันเพียงครั้งเดียวต้องการจะเล่าอะไรวันกิยามาแน่วันกิยามาเนี่ยมีเสียงสองเสียงซอยฮาแล้วว่าเสียงกมปนา วายด้ครั้งเดียวมีสองสองสองครั้งนะเสียงครั้งเดียวนะพอตอนนี้มะาลร็งกาจะ อ, อิสลอฟีนอนะเอาอะไรนะเอาที่เป่ามาจ้องอยู่ที่ปากตั้งแต่สร้างมาเลยเนี่ยจ้องอยู่ที่ปากเนี่ยไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้วเอาลอดสั่งให้เป่านะก็เป่าผู้ทุสินทุกอย่างตายหมดเลยฉะนั้น ตัวการจะเล่าว่าเองที่ด่าอัลลอฮ์ด่ า, ดาราซูลที่ไม่เชื่อวันอัลลอฮ์มีไม่เชื่อรซูลไม่เชื่อคำพีไม่เชื่อวันวันสิ้นโลกไม่เชื่อกฎกบกัดว่ารวยจนมาจากอัลลอฮ์นะอยู่ไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกแต่เองไม่ได้รออะไรรออะไรนะวันสิ้นโลกเสียงดังๆเพียงเสียงเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจะตายหมดเลย แต่อายานี้เนี่ยตองการจะบอกว่าไอ้เสียงนี้เป็นเสียงครั้งที่สองนะมันจครั้งแรกเสียงครั้งที่สองฟื้นหมดเลยแต่ลองว่ า, าเสียงครั้งแรกตายหมดเสียงครั้งที่สองฟื้นหมดมาก่อนหน้านี่ตายแล้วตายเลยพูดกันนะพูดกันเต็มโลกเลยนะตายแล้วตายแล้วตายแล้วจบทันสบายแล้ว <c oughs> นี่เสียงครั้งที่สองครับ มาลามิมฟวฟาวะซึ่งไม่มีการชักช้าไม่รอสักหนึ่งนาทีเวลาได้ได้เวลาปับ๊บอัลลอฮฺสั่งม า, า, าเลย์กาปุ๊บเตาปั๊บฟื้เลยชาไม่มีคสักหนึ่งนาทีก็ไม่มีนี่อัลลอฮฺเล่าให้นบีผู้มัดฟังให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้สอนคนอาหรับมุสลิมในคอนบากที่ว่าส่งผู้มัดมาเป็นนบีทําไม ต้ออาคนรวยๆอย่างหมู่บ้านฉนันที่มาเป็นนบีเได้เชื่ออย่างนี้ตุตุลลก็บันวันก็ยามามีไหมมีครับนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดโอ้หน้ากลัวนะในทับซิอธิบายประวัติซอยห้าเนี่ยหมายถึงซอยห้าอัศนียะเป็นการอะไรนะเปล่าครั้งที่สองทุสินทุกอย่างจะฟื้นขึ้นหมดเลย นี่เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องแล้วก็ลายตะอัคคารุณนะสานตันไม่ช้าแม้แต่หนึ่งนาะทีไม่ช้าครับนี่เล่าให้ฟังก่อนนะเหตุการณ์ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับและกุฎารออธิบายอย่างนี้นะครับว่าวันกิยมามาเนี่ยพวกเขากําลังสนทนานกันอยู่ยังพูด ย, ยังไม่ยังไม่จบเรื่องเลยมาแล้วืออธิบายอย่างนี้ คุณเอาข้าวเนี่ยจะใส่ปากยังไม่ถึงปาลเมีี่มัดมาก่อนนะละกยมมี่มดนมาวันไหนอลัลลอ์เล่าก่อนพัดร่างผ่านนาบีวันไหนวันศุกร์อา้าผู้ศรัทธาต่ออลัลลอ์วันศุกร์อยู่ที่ไหนอยู่บ้านเหรอหรือในคลับท <c oughs> ห็นยังครับนี่คำสอนของอลัลลอฮ์ผ่านนาบีอะวันศุกร์มุสลินทั้งโลกเนี่ยต้องอาบน้ำแล้ว เราแต่งตัวสะอาดๆใส่เครื่องหองแล้วก็เดินมามื่อิจถ้ากำลังยืนนมาดวันศุกร์อยู่วันเกียมามาเราปลอดภยัยไหมทำไดเลเห็นอย่างครับนี่คำสอนของอิสลามที่ผ่านนบี ม, มุฮัมมัดนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยครับเดกยร น, นั้นเราเนี่มันจะเกิดมาเล่นๆนะดีนออัลล์นี่มีเป้าหมายว่า วามาอะไรนะวามาพรรุลยินใ น, นวอินไซล่ะลิยาบูดุลเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเพื่อให้ทั้งยินและมนุษย์เนี่ยได้หันมายอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอแสดงตัวเป็นเบาที่ดีของอัลลอสุภาพนาหูวาตาลับพี่น้องบอน้ำเกาสัตวู ด, นะ พ, ดนะพูดเรื่องพูดเรื่องอะบอน้ำเกาซัดเลยนะ พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเจอเจอจะอผ่านหนึ่งสองสามสี่อ้าพูดเรองบอ่น อ, บอ น, น้ำเกาซัดก่อนบ่อน้ำเกาซัดนี่ความกว้างของบ่อนะตั้งแต่มาดนามาเมืองอมานอมานประเทศไหนประเทศอมานนี่แหละนะแล้ ว, นะลว ก, ก็บมาดินามักกะมาดนาใช่ไห ม, มนั่นะนความกวาม้วางของบอ่อนะนินาบีเล่าไหมฟังบอ่อใหญ่ไหม โอ้โหอักบัตแล้วก็น้ำในบอ่อน้ำเกาสัดนี่นะหวานยิ่งกว่าน้ำพึ่งแล้วก็ขาวยิ่งกว่านมใครที่ดื่มอึกเดียวนะจนกว่าจะเข้าสวารรค์ไม่หิวเลยคนนี้อยากดื่มด้วยกันทุกคนในวันนั้น วิ่งหาพวกหาเส้นกันใหญ่เลยจะเข้าไปกินน้ําำมายกตัวอย่าง ต, งาตําแหน่งอบตปจก็วิ่งกันทั้งว่างคล้ายๆกันนั่นแหละอยากได้ตําแหน่งนี้จังเลยนะเหมือนกันมีบอ่อน้ำเกา่าอซัดทุกคนอยากได้สักอึขึ้นก็ยังดีผ่านนาบี ม, มามัาคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะครับคนที่ไม่มีสิทธิ์ดื่มน้าในบอ่อน้าเกลือซัดนะ่ะมีอยู่หนึ่งสามกลุ่ม กุมกาแฟไม่ดีสิสองมุตตตัดมุตตตัดี่เราได้ยินแปลว่าอะไรคนที่มารับอิสลามเส็แล้วบายบายอิสลามไม่เอาอิสลามด้วยสายเหตุอะไรก็ตามอ้าเป็นผู้หญิงมารับอิสลามพสามาตายฉันกลับไปอันที่เอาล้อมัาเดิม หรือผู้ชายรักยามภรรยาตาขันไปแล้วไม่มีสิทธิ์ได้ดื่มน้ํานเก่าสัตว์คาว่ากาเฟ่เนี่ยรวมมาถึงยาฮูดีนอสรลนีด้วใครที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีสององค์ก็ถูกหมดใครที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีสามองค์ก็ถูกหมดใครที่เชื่อว่าอมมัลลอฮ์มีนี่เอาตรงเอาตา ล, ลงมา ก, ก็าตาจะเรียกภาษาอะไรก็เชิญเถอะ ถูกหมดครับอัลลอฮ์ตรงนี้องเดียวอัลลอฮ์ผู้มัตอัลลอฮ์ต้องเป็นที่พึ่งไม่ใช่หวยที่พึ่งไม่ใช่ตําแหน่งตำแหน่งเนี่ยโอ้โหทำฉันมีเจริญก้าวหน้าไม่ใช่เป็นมุหมิงครับเองเป็นมุหมิมงผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สิเองเจริญอ่ะไม่ใช่ตําแหน่งสวสอบประธา น, นอันนี้ตําแหน่งบนดุลยานี่ถ้าเองบริหารผิดเองเจอน่ะ ถ้าบริหารถูก<ม>ก็ปลอดภัยไปถ้าบริหารผิดผิดดฟารโรเนี่ยนะนตกตะปูมือคนนะอ่ะร้อแล้วครับแล้วปล่อยให้อะไรนะแมงปองงูมกักการยกทั้งตาทรมานคนแบบนี้เนี่ยเอ้ามองดูทำทำไมวะเนี่ยร้จฉะนั้นคนเป็นกาฟเฟสทั้งหมดคนที่เป็นมุตักทั้งหมดที่ตกศาสนาไปแล้วนะ เราคนที่เป็นบิดาทั้งหมดคำว่าบิดาเนี่หมายถึงว่าปฏิเสธสุนัขนบีข้อหนึ่งข้อใดก็ไ ด, ได้เดี๋ยวก็ถูกได้เอาบิดามาพูดทำไม3กลุ่มหนึ่งกลุ่มบิดาที่ทำอะไรไม่เหมือนนบีไอพ่อความใจให้ก่อนไอเรื่องนี้นะเพราะแอนตะี้น่ะมีไหมมีฉันแอนตี้สุนัขนบี ผู้นิสชาบานะ่ะเราให้อภัยคนที่ด่าเรานะนิสวชาบานะ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยนาะมาธรรมดานี่แหละอลัลลอฮ์ให้คืนนิสูวชาบานอลัลลอฮ์อภัยยาโทษให้ยกเว้นคนมุชริกและยกเว้นคนที่มีพี่น้องกันทะเลาะ ก, กันและไม่ยอมคืนดีกันมาจากทองเดียวกัน แต่ทะเลาะการเรื่องเงินอัลลอฮ์ไ ม, ม่ให้อภัยโทษคนไม่บาปที่เดือนเดอนี้แ น, น่นอนเนี่ยมุตตัดพวกที่ถูกมดนะ่ะคืนนี้โสชาบานะ้านน่ะแล้วก็ทำลายเกิอนอาเบียเป็นยังไงแล้วก็กลัวนะก็แนะนำแค่นี้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยอภัยโทษให้กับคนทุกคนคนนั้นต้องไม่ใช่มุสริกคนนั้นจะต้องเมาคนเมาไม่มีศิกครับ เมาเพราะบุหรี่เมาเพราะอะไร่ะก็ท่องเนะมาเพราะเล่าเลอะแล้วก็ตามแต่จะไม่มีสิทธิ์ครับแล้วก็คนที่ทะเลาะกันกับญาติพี่น้องตัเองเรื่องไม่ยอมคืนดีอันนี้ต้องการจะอธิบายอีกนิดนึงว่าคนที่จะอยู่สง่างามในทุ่ง ม, ม้าชัดน่ะเล่าสักเจ็ดเจ็ดเจ็ดข้อนะข้อที่หนึ่ง คนที่ทำหน้าที่อาจารย์มุมัดเนี่รอดแล้วบิลันแล้วในี่รอดแต่ต้องอาจารย์เพื่อรอนะเวลาต้องชัดเจนนะข้อที่สองคนที่เป็นผู้นำคนแล้วก็ตัดสินคดีด้วยความยุติธรรมปีมาอิสลามเรื่องที่สามคนที่แต่งตัวตามแฟชั่นไม่มีโอกาส คนนี้ไม่ใช่คนอามันอยู่โลแมแต่งตัวตามแฟชั่นทั้นแต่งตัวอย่าไปนึกอะไรเยอะกระเดียกกระเดียกไปทางนบีบ้างไม่ได้เลยเอาต่อมาครับกลุ่มที่สี่ที่จะสง่า ง, งามนะครับกลุ่มที่รักษาน้างามอาจอยู่เป็นประจำ ไม่ไม่น้ำมาก็มีน้ำน้ำมาดได้ไหมมีมัจะเข้านมาที่อาจารย์ที่มึงอ่านน้ำมาดก่อนอาจารย์อ่านนมาดได้ไหมได้รักษาเอาไว้น่ะต้องนึกโอ้โหวันเกียมาเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยนะไอ้น้ําน้ำมาตรงนี้น่ะเลาเอาต่อมาครับกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ไม่แก้แค้นเขาด่ามาเนี่ยเราไม่แก้แค้นเราไม่ด่ากลับ เราควบคุมอารมณ์เราไว้ไปถึงสามีภรรยาด้วยนะควบคุมอารมณ์ไว้บางทีภรรยาบน่บ น, บ, นบ่นบ่นหัวแบบเด็กเด็กต้องนึกโอควบคุมอารมณ์นี่มีรางวัลหมดเลยนะไม่ใช่ไม่มีจะใช่ความมุมินที่ทาความดีที่มีรางวาัลทํา อะไรก็ตามสามารถแก้แค้นได้แต่ไม่แก้ให้อภัยรางวัลเยอะมากครับกลุ่มที่หส ง, ง่มงามนะไม่ทำสนะีนาโอกาสมีเยอะแต่ไม่ทำกลุ่มที่เจ็ดร้องไห้เมื่ออยู่คนเดียวถาเคยถามว่าตอนนมาตะคยุดเนี่ยมีหลายคนบอกฉันร้องไห้ผู้หญิงว่าตุต๊ตรละกงเนะปียกไปทำัวไและนนะ ประโยชน์กับตัวเองนะไม่ใช่คนอื่นนะกลุ่มที่แปดคนที่เป็นเจ้านี่ผ่อนป้นลูกนี่แทนที่จะไปฟ้องศาลติดคุกทามออกมันนี้แต่เราไม่เคยคิดนะเราเป็นเจ้านี่จะมาให้คนนี้ก็เยอะเงินแสนเนี่ยสัญญาว่าสองปีพอครบสองปีไม่ให้ หลอโนติสเลยจะแจ้งความทำได้หมดนั่นแหละแต่เองไม่มีรางวัลตอบแทนในโลกอาเซีเราทำทำไมถ้าเราผ่อนปลนอาบานจะให้ไปอีกปีนึงแสนบาทให้อีกปีนึงไปที่บ้านเรามองดูอ้าให้อีปีจะเป็นสองปีเป็นสี่ปีแล้วรู้เปล่าไอ้กอนผ่อนปลนยิ่งยกเลยยิ่งยกเลยนี่นะ จะเป็นริ้นหรือเป็นร่มเงาปกป้องความร้อนในวันตี亚马ที่ศีรษะเราได้ด้วยเรื่องอย่างนี้ถามว่าอิสลามสอนไหมสอนนี่เป็นความเมตตาของอัลล์ที่อัลลอ์ให้อิสลามมาเป็นตัวช่วยเรานะให้เราปลอดภัยจากการลงโทษหลังตายฟื้นขึ้นมาอยู่ในทุกมัสชัดก็มีการอัลลอฮ์อัลลอ์ไม่ไม่ลงโทษเพราะเราทำความดีทั้งที่ฝืนอารมณ์ในตลอดเวลา แน่นอนครับ อ, อีกนิดนึงทุ่งม้าชัดเนี่ยนะความยาวประมาณที่เราได้ยินว่าห้าพันปีนะวันนั้นเห็นครับบนดุนยานี่ไม่เห็นครับอัลลอฮ์เล่าก่อนนะวันหนึ่งของอัลลอฮ์ที่ทุ่งม้าชัดบางคนยืนห้าพันปีอัลลอฮ์จะสอดฉันเมนื่อไหร่เนี่ยยืนแล้วยืนอีกร้อนแล้วร้อนอีกอยากจะไปกินน้ำที่บ่อก้าวสาลีเขาไม่ให้อ่ะเรื่องที่สองนะครับ หิวกับกระหายในทุกมาชาัดครับเรื่องที่สาม ร, ร้อนจัดมากครับเรื่องที่สี่มีกลิ่นกลิ่นเหม็นมากครับที่ห้ามีเหงื่อไหลก็ โ, โลเนี่ยคนไดไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอ์ไม่เอารซูลูกทรมานในทุกมาชาัดหนักมากครับสุภานบลลอฮุมวะบิฮัมดกอลอละอิลอันตอัตัวิระวะตบิลัย